สองวันที่ผ่านมามีคนรู้จักรหรือว่าบุพการีอย่างคนรู้จักนะจากไปได้เรียกันภายในวันเดียวก็า3คนนะก่อนน้านัน้นก็มีคนรู้จักนะก็จากไปนะที่จากไปเมื่อสองวันก่อนนะนะคนหนึ่งก็เป็นพระ ก็คือหลวงพ่อนรงนะท่านก็เคยมาจำพรรษาที่นี่ก็ไม่เดินกับจำพรรษานะมาอยู่ประมาณปี29แล้วก็ตาลางก็ไปจำพรรษาที่ผูหลงกับท่านอาวุธนะประมาณสองสมปีนะู้หลงตอนนั้นนี่มันกันดาร น, นะสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีแต่ท่านก็อยู่ได้เป็นปี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 แต่ก็ยังมีความหวังว่าจะรักษาให้หายได้หรือว่ า, าช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้ก็รักษาไปขเดียวกันก็เต็มใจไปด้วยเตรียมตัวรับความตายาเธอกับสามีก็ไปอบรมนะกา ร, รเผชิญความตายสงบเที่ยธมมาเป็นคน เป็นวิทยากรคนหนึ่งเมื่อ 4-5 ห้เดือนที่ผ่านมาตอนนั้นก็สุขภาพก็ทรุดลงนะแต่ว่าก็มีกำลังใจดีแต่ว่าเมื่อสัก เ, เดือนที่แล้วนะมะเร็งก็ลามถึงกระดูกสันหลังทำให้เดินไม่ได้นะตรงนี้เรียกว่า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 เขาแล้วก็สามีก็ไม่คิดจะยื้อนะก็มาขอใช้ช่วงชีวิตสุดท้ายที่บ้านนะก็ดีนะมาเยี่ยมคนไข้ที่ใกล้ตายแต่ไม่มีสายระ ย, รยองระยางอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองคุ้นเคยนะเดี๋ยวนี้เวลาไปเยี่ยมคนป่วยนะก็เห็นนะคนป่วยในสภาพที่มีสายระยงระ ย, ยางเยอะแยะมีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายนะ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 ก็เป็นธรรมดาคนจีนนะกลายจากธรรมะนะแต่ก็อาศัยลูกนะลูกนี้ก็เพึ่งบวชนะบวชในพรรษานี่แหละก็เป็นคนที่เข้าใจเรื่องการเตรียมตัวตายอย่างสงบพอสมควรนะไปร่วมไปเข้าคอสของเทตามาจัดนี่โดยเพราะที่ยุยพุทธที่กัดสมาคมจัดก็หลายครั้งเขาก็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 ยิ่งถ้ามีธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วเนี่ยมันก็ช่วยทําให้สามารถจะไปสงบได้รายนี้ก็ก็ไปสงบเหมือนกันนะลูกชายเขาก็มามารายงานมาเล่าว่าลูกอยอมพ่อเขาก็ไปดีนะทั้งสามรายนี้ก็เหมือนกันอย่างหนึ่งนะก็คือว่าอุทิศ ร, ร่างกายให้กับ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 ทุกขเวทนาเป็นเรื่องของกายทุกทรมานเป็นเรื่องของใจและที่เกิดขึ้นได้เพราะใจเนี่ยนะไม่มีสตินะเจอเกิดเจ อ, เจอทุกขเวทนาทีไรก็แทนที่จะดูมันก็เข้าไปเป็นมันทุกทีชีวนะิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเอาแต่นี้ทุกขเวทนาอยู่เรื่อยๆนะมันก็แสดงว่าเราไม่พร้อมเลยนะเราไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการฝึกฝนเลย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 อย่างโยมผู้หญิงคนที่เล่าเนี่ยนะก็บอกเขาว่าเนี่ยช่วงเวลาที่เราป่วยเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ได้หลิยกรรมาฐานนะนะถึงแม้ว่าจะที่แรกจะรับมือมันไม่ไหวนะแต่ว่าก็ได้ฝึกไปฝึกไปฝึกจากของจริงนะฝึกจากทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วท้าทิศมาก็ดูเหมือนว่าเธอก็สามารถจะผ่านไปได้ด้วยดีนะแทนที่จะโ ว, ว, วยวายตีโพยตีพายก็ใช้ความเจ็บป่วยเป็นประโยชน์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 คนที่เรียกร้องเยอะเนี่ยเงื้อถายมากเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องเจ็บป่วยนี่จะถูกทรมานมากและเพอเพอก็ตายไม่สงบเอาใช้นเนี้อพูด ก, กับท่านนี้นะ